สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ยี่สิบนะครับหัวข้อย่อยก็คือฟาริสีและเซรูสีตอนที่สามครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าชาติพันธ์ฟาริสีสมัยใหม่หรือว่าฟาริสีสมัยใหม่นั้นเป็นอย่างไรบางท่านอาจจะเข้าใจว่าผมกําลังกล่าวหาท่านหรือว่าท่านนะครับ แต่ผมขออนุญาตเรียนตามตรงเลยว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะกล่าวหาใครคนใดคนหนึ่งเฉพาะจอจงแต่ผมกล่าวตามพระวจนะของพระเจ้านะครับว่าาริสีสมัยใหม่นั้นก็คล้ายๆกับาริสีสมัยก่อนครับแต่เนื่องจากว่ามักหรือการปฏิบัตินะครับแนวทางมันแตกต่างกันไปดังนั้นจึงเกิดปริสีสมัยใหม่ในคดเครือจักรของเราในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งซ้อน นะครับที่บิดเบือนไม่ว่าจะเป็นพิธีการใดๆก็ตามที่เน้นมากกว่าที่จะเน้นจิตวิญญาณครับหรือแม้กระทั่งลักษณะของ NATO นาโตะครับก็คือ no action talk only หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเอาความคิดเห็นของตนเป็นมาตรฐานเพื่อวัดคนอื่นๆนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของการมีหูตาที่คับแคบไม่เปิดโลกธาตุ และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพระเจ้าแทนที่จะให้พระเจ้านั้นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราบางคนอาจจะมีความรู้สึกอยากจะได้รับการยกย่องอยากจได้รับเกียรติอยากจได้รับสง่าราศีนะครับให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคิเตจักของเราในทุกวันนี้พี่น้องครับในวันนี้นะครับ เราจะมาถึงตอนสุดท้ายของการเรียนรู้เกี่ยวกับฟาริสีและสะดูสีครับที่พบอยู่ในมัทธิวบทที่23นะครับเกือบทั้งบทนะครับของบทที่23นั้นเป็นการกล่าวโทษของพระเยซูที่มีต่อพวกธรรมจารย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสีนะครับพวกฟาริสีนั้นเป็นคนที่นั่งจองที่นั่งของโมเสสเขากำลังใช้บทบัญญัติของโมเสส5เล่มแรกเรียกว่าโตราห์ ครับซึ่งเขียนโดยโมเสสเขาพยายามใช้สิ่งเหล่านี้นะครับและอ้างว่าเป็นของเขาส่วนกลุ่มของเขานั่นเองและกลุ่มเขานั้นก็ทําการตีความครับขยายความแลในขณะเดียวกันนะครับก็สร้างบทบัญยัติหยุ่มๆๆๆๆๆที่ผมได้พูดไปแล้วพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าพระเยซูกล่าวหานะครับและพระเยซูใช้คําว่าวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีนะครับในข้อสิบสามสิบห้า สิบหกข้อย3 25, ิบสามยิบห้ายี่บเจ็ดยี่บเก้าเยอะแยะไปหมดนะครับและที่หนักหนาสาหัสก็คือในข้อสามสิบสามครับเปียสูตรัดว่าโอ้พวกงูพันงูร้ายเจ้าจะพ้นโทษนรกอย่างไรได้เห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกธรรมจาร์ฟาริสีและรวมทั้งคนสะดูสีด้วยครับเป็น เราจะกลับมาดูนะครับว่าเราควรจะระวังเชื้อต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าฟาริสีและสาดูสีนั้นเป็นกลุ่มนักการาศาสนาที่เคร่งคัดในกฎระเบียบที่บรรพชนถ่ายทอดครับเป็นกลุ่มคนที่อุทิศตัวอย่างจริงจังให้กับลัทธิยิวหรือจูดายซึ่มเขานั้นยึดถือปฏิบัติข้อบัญญัติของโมเสและเพิ่มเติมไปเยอะแยะมากมายนะครับชาดูสีก็เช่นเดียวกันครับเป็นกลุ่มคนเคร่งาศาสนา แต่กลุ่มนี้เป็นคนที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจชั้นสูงของคนยิวพูดง่ายๆนะครับก็คือพวกไฮโซของยิวนั่นเองเป็นคนเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อต่างกับพวกปริีในเรื่องการเป็นเกุญแจความตายครับนะครับพี่น้องครับพระเยซูเตือนเรื่องระวังให้ดีเรื่องเชื้อแห่งปริีและแสะดูสีที่จริงแล้วบริบทเบื้องหลังในเรื่องนี้ เกิดหลังจากการที่พระเยซูทําการอัศจรรย์เลี้ยงคน 4,000 คนด้วยขนมปัง7ก้อนครับหลังจากที่คน 4,000 คนกินจนอิ่มแล้วนะครับยังเหลือขนมปังถึง7ตะกร้าแต่แต่สาวกลืมหยิบขนมปังทั้ง7ตะกร้าที่เหลือนั้นมาพระเยซูบอกให้ระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกสะดูสีให้ดีสาวกเข้าใจผิดครับตีความว่าพระเยซูพูดอย่างนี้เพราะพระเยซูต้องการเตือนว่าอย่าลืมขนมปังที่เหลือ นะครับอย่าลืมหยิบขนมปังที่เหลือมาด้วยนะพวกเขาก็กวนก็วายใจมากครับแต่จริงๆแล้วพระเยซูนั้นพระองค์มิได้หมายความถึงเรื่องขนมปังแต่พระองค์เตือนเรื่องระวังเชื้อของฟาริสีและพวกซาดูสีให้ดีพี่น้องครับทําไมพระเยซูต้องเตือนเชื้อแห่งฟารีสีนั้นหรือเชื้อซาดูสีนั้นที่พระเยซูเตือนให้ระวังนั้นหมายถึงอะไรครับในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมจะชี้ให้เห็นนะครับถึง หลายประการที่เราต้องระวังประการแรกก็คือระวังเชื้อแห่งท่าทีที่ผิดครับนะครับในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบเอ็ดนะครับเราได้เรียนรู้นะครับว่าพระเยซูนั้นในมัทธิวบทที่ยี่สามนะครับพระเยซูระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกซาดูสีก็คือท่าทีที่ผิดท่าทีที่ผิดของฟาริสีและซาลูสีคืออะไรครับท่าทีที่ผิดของ ปริสีและเซดูสีก็คือเขามีแรงจูงใจที่ต้องการทดลองพระเยซูเขาไม่ได้ตั้งใจแสวงหาความจริงจากพระเยซูครับแต่เขาต้องการจับผิดว่าพระเยซูนั้นจริงๆไม่มีฤทธิ์อานาจอย่างที่เคลมนะครับไม่มีฤทธิ์อำนาจหรือแม้กระทั่งจะมีฤทธิ์อำนาจพวกเขาก็ยังกล่าวหาพระเยซูว่ามีฤทธิ์ในฐานะที่เป็นนายผีเมื่อพระเยซูขับผีครับพวก ไฟสีและสิดูสีนั้นมีท่าทีในใจที่ผิดครับก็คือพวกเขาหยิ่งยะโสนะครับพวกเขายกตนเหนือผู้อื่นพวกเขาสแสวงหาเกียรติและการยกย่องจากมนุษย์ในหน้าที่ทางศาสนาพวกเขานั้นเป็นคนที่น่าชื่อใจคดนะครับแซงทำในสิ่งที่ตนไม่ได้เป็นทาความดีแต่เปลือกนอกยกเอาประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นใหญ่เหนือพระคำภีเหนือพชนะ สนใจตัวอักษรข้อศิลธรรมมากกว่าจะสนใจแก่นหัวใจของศิลธรรมพี่น้องครับกล่รารู้นะครับว่าท่าทีกําหนดชีวิตนะครับท่าทีกําหนดทนัศนคติท่าทีนั้นกําหนดมุมมองต่างๆท่าทีนั้นกําหนดกําหนดโลกัศน์ของเราเพราะฉะนั้นหากท่าทีไม่ถูกต้องท่าทีไม่ดีทุกอย่างที่ออกมาก็ไม่ดีด้วยครับเพราะท่าทีนั้นเกิดที่สมองเกิดที่ความคิดเกิดที่จิตใจน่าแปลกนะครับ ที่ฟาริสีและสะดูซสีนั้เป็นนักการศาสนาที่ใกล้ชิดกับบทบัญญัติแต่เขากลับปฏิเสธพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะท่าทีที่ผิดในใจฉะนั้นเราต้องระวังเชื้อตรงนี้ให้ดีนะครับเราอย่าคิดว่าเราใกล้ชิดพระเจ้าเรามาบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่มีทางที่จะมีท่าทีที่ผิดได้เรามีท่าทีแรงจูงใจอย่างไรเราก็จะตีความสิ่งที่พบเห็นไปตามท่าทีในใจของเราอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเทสได้ครับว่าใคร มีท่าทีแรงจูงใจอย่างไรก็ดูเขาตอบสนองหรือตีความสิ่งที่เขาเขาพบ เ, เขาเห็นนะครับก็จะรู้ครับว่าคนนั้นเป็นอย่างไรพี่น้องครับพระเยซูตัดให้ระวังเชื้อพวกฟาริสีและสะดุสศีนะครับแต่สาวกก็ไม่เข้าใจนะครับนี่เป็นสิ่งน่าเสียดายมากประการที่สองครับระวังเชื้อแห่งคำสอนที่ผิด พระเยซูเตือนไม่เพียงแค่ให้ระวังเชื้อของท่าทีนะครับแต่พระเยซูยังเตือนให้ระวังเชื้อของคําสอนที่ผิดด้วยมีคนมากมายนะครับที่อยู่ในคําสอนผิดจากพระคัมภีร์ทั้งทั้งที่เขาจริงใจและบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นแค่จริงใจไม่พอครับเราต้องมีพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักนะครับเราต้องมีศาสนาที่ถูกต้องนะครับเป็นกรอบเราต้องมีวิจารณญาณและยึดคําสอนที่ถูกต้องให้เป็นแนวทางในการบบดําเนินชีวิตและการประยุกต์ใช้พระวจนะและความจริงของพระเจ้า พระเยซูเตือนให้ระวังคําสอนผิดครับที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูหรือการนําบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นบทบัญญัติของพระเจ้านะครับคนพวกนี้นี่ที่ตู่ครับในขณะเดียวกันครับก็ปลอมตัวเป็นผู้เผยเพระชนะอ้างพระคุณพระเจ้าจนตกขอบก็มีบางคนก็นําผู้เชื่อให้กลับสู่บทบัญญัติของมนุษย์ก็มีนะครับเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยคําสอนแปลกๆมากมายหลายอย่างครับเพราะว่าคนใช้เหตุผลเก่งขึ้นคนใช้ การอธิบายนะครับชักนําชี้ชนําจูงใจได้เก่งขึ้นคนเราก็มีความปรารถนามีความอ่อนแอฝ่ายเนื้อหนังนะครับคนสมัยใหม่ก็ชอบสิ่งที่แหวกแนวคนที่ต้องการอํานาจผลประโยชน์นะครับเพื่อกลุ่มบุคคลต่างๆมากมายก็สามารถที่จะใช้อํานาจและกลุ่มบุคคลเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองทําให้การสั่งสอนนะครับจริยธรรมของพระเจ้าก็ผิดเพี้ยนไปพี่น้องครับในสมัยนี้นะครับเราต้องระวัง ข่าวก็เฉิดแห่งความสะดวกสบายครับนะครับเขาไม่ใช้เขาไม่พูดว่าพระเยซูปเป็นทางเดียวที่ช่วยให้รอดนะครับอันตรายจากคาสอนผิดเหล่านี้นะครับมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในจิตวิ ญ, ญญาณของเราและลูกหลานเราอย่างไม่รู้ตัวและยากที่จะตรวจสอบได้นะครับเราต้องระวังความคำสอนผิดให้ดีทีนึงครับนี่คือเชื้อที่เราควรจ้องระวังขอพระเจ้าอวยพรและเมตตาพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน